และนักปฏิบัติจะที่แกนาให้เห็นเป็นตัวอย่างนั้นแล้วม่มีการไปห่ามกัน้นฝวางถนนคนส่วนใหญ่ที่ทุกจิตทุกใจเพราเพาะเหตุว่าไปฝวางถนนเอาไว้ถนนเขาเคยเดินอยู่แต่ไหนแต่ไรมาแต่เราไปฝวางกั้นเราเชื้อมันกบผิดกดหมายทางบ้านเมืองเราไปฝั้นถนนเขา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 ผ tamam ja. ู้ที่ปรับเคลื่อปฏิบัติจะต้องเห็นไปจากชัดเจนว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่แก้ไขไม่ได้ต้องปล่อยไปตามธรรมดากองมันตามเรื่องของขาดความขันแต่จิตใจของเรายึดถือหรือไม่หรือปล่อยวางได้สะดวกะบายเห็นเขาเป็นของจริงหรือไม่เห็นเห็นเขาว่าเป็นของแปลกปลอมอย่างไรถ้าเห็นเขาเป็นของจริงก็ปล่อยวางได้ถ้าเห็น เขาว่าเป็นทองไม่จริแงแต่ฟอมแล้วก็ปล่อยวางได้บ้างเพราะยึดมัน่นผืมัอยากก็ให้เป็นอย่างนั้นยากจะให้เป็นอย่างนี้เมื่อไม่สมนใจท้องตนทีมอมุ่งมั่นเอาไว้ใจก็เกิดทุกข์ึ้นเรื่ อ, องของการประเภทปฏิบัติศาสนาไม่ใช่ว่าจะไปแจกไปที่อืน่นแจกไปที่ใจของตนถ้าใจเห็นตามเป็นจริงในสัาวเหน่อนึงมันก็ปล่อยวางไา้ ใต้องบอกให้ปล่อยให้ว่างไม่ต้องปล่อยวางเองถ้าที่แท้น่ารอดตัวการที่แท้น่าจะรู้เห็นเป็นเจียงได้ก็ต้องอาศัยความสงบของใจไม่ใช e ่ว่าจะอาศัยสิ่งอื่นเชื่อว่าจะเนเดาคิดเอาโดยจิตในนี้ื้นฐานของสมาธิความสงบของใจและส่วนนั้นจะกลายเป็นสัญญาไปใจก็เลยหนีถอดไม่ถอนไม่ละไม่ป่อน ฉะนั้นการอบรมจิตใจจึงต้องควรคือจะให้มีความสงบข้องใจเป็นพื้นก่อนมีที่เจนาต่อไปใจที่มีสมารถะมีความสงบมีวิบัติปามีการที่มีที่กจนาโดยหยาบพายแล้วที่เหลือปัญหาตัวในใจ จะไปกันบานหน้าดาาเพราะอนนานาจอาวุธคือสมถะยุปัจจนามีอยู่จะประหัตประหารทับไล่เรื่องที่เหลือกันหาอนุสัยต่างๆออกจากใจผล <c oughs> ที่สุดใจที่เคยติดข้องก็เลยหลุดออกไปคว <c oughs> ามสุขของใจจะเป็นความสุขที่รู้สึก พระพุทธเจ้าเคยเห็นอนิสงส์มาแล้วจึงแนะนํารรมสอนพวกบอดมืออย่าพวกเราให้ที่นี้ทีเจรนาอย่าไปศึกษาที่อื่นศึกษาที่กายที่ใจท้องตนพิจารณาลงนี้เพราะความยึดมั่นทึ่มั่นอยู่นี้เพราะความหลงไหลอยู่นี้ทิฏฐิมาหน้าอยู่นี้กิเลสตัณหาอยู่นี้เลยอยู่ตามตำหลับตำาเลยอยู่ในดินปลาอากาศที่อื่นเกิดขึ้นจากที่นี้มีอยู่ในที่นี้ เมื่อเกิดขึ้นจากที่นี้มีอยู่ในที่นี้เราจะไปทำลายสายสังที่อื่นไ ม, ม่ถูกส่องทำระสายสังที่มันเกิดขึ้นถอดถอนที่มันเกิดขึ้นทาลายที่มันเกิดขึ้นมันเพืจะถูกจุดมันเกิดขึ้นที่นี้ก็ต้องพิจารณาที่นี้เพื่อจะให้จิตใจ ปล่อยวางเรื่องต่างๆให้หมดไปเมื่อจิตใจรู้เห็นตามเป็นจริงแล้วมันละมันถอนถึง แ, แ่้จะมีอาไว้เยาว่าอ า, านใจย้เวทนาสัญญาสังขารอยู่ก่อนสัจจวัตรมีในนี้อะไรที่ท่านจะยึดมั่นหรือหลงตามผาดขันส่วนนั้นก็ทันทีเจรนา ดู้เห็นตามเป็นจริงของท่านปล่อยวางละถอนหน้าไม่ใจแต่ลมปากความจริงของใจ้าหาุเป็นวัตถุที่จะหยิบยกออกมาให้ดูได้ท่านจะเอาออกมาให้ดูนี่นี่เป็นอย่างนี้ความบริสุทธิ์ของใจนี่มันเหลือวิสัยที่จะเอามาให้กันดูได้ว่าใจที่บริสุธมันเป็นอย่างไรขอให้ฝึกอบรมเดือยตัวเองเดี๋ยต่อไปสงสัย ในต้องไปถานใครถ้าหากมันถึงที่สุดมีมุดแล้วจะจะเข้าใจด้วยตนเองเพราะทำเป็นสันคุติโกคือเห็นเองเป็นปฏิจจตังรู้เฉพาะตูวประพฤตปฏิบัติเหตุนั้นคนทั่วไปติดกล่าวตีดูหมิ่นวาสนาหมดมากหมดผลเพราะฉพาะตัวของตัวเขาในเคยประพฤตปฏิบัติเข้ามาภายในไม่เลย ที่เริญนาเรื่อนกายใจท่องคนความสงบเป็นอย่างไรเกิดมาชั่งขาดจนกระทั่งวันตายในเคยประสบก็เพีย้ยนความปล่อยวางท่องใจเป็นอย่างไรที่เหลือจัดปัญหาที่หมดไปเป็นอย่างไรไม่ทราบครังคอยแต่จะตาวตูดีหมิ่นวาจสาสนะหมดมากหมดผลแต่ตนท่องตนในประเทศปฏิบัติจะตาวตูเท่าไรมันก่ เป็นเหลืองของเขาแต่ตัวของเราผูดเชื่อว่าศาสนายังคงเต็มคงว่ามรผกยังคงมีอยู่ส่ท้ากันซึงประบัติปฏิบัติความรู้ความเข้าใจความเห็นอย่างนี้ได้ชื่อว่าเป็นสัมมาทิฏฐิในเสีทางผิดรักษาเอาไว้ประพัติปฏิบัติกายใจทั้งตัวลงไปให้เห็นตามเป็นจริง ทานเียงขี่พระพุทธเจ้าทรงแนะ น, นสาวกเพราะมนุษย์ั่วไปหลงในเรื่องร่างกายฐานจิจที่เจริญนาดูอุบายต่างๆอยากมาบวชในพระพุทธศาสาานาเป็นสามเณีก็ตามเป็นพิชิุก็ตามจะต้องแนะสอนเรื่องธรรมฐานกอ่อนธรรมฐานคืออะไรเกียวสาโลมาณขาทันตาไตรจง นี่ธรรมฐานที่อุปชาอาจารย <c oughs> ์แม่สอนเป็นอาวุธสำหรับฝ่าฟันราคาตันหาที่จิตใจของเราไปกำหนัดยินดีฝ่าฟืนธรรมดาหากที่เจรณาแยกชายลงไปเร่างผล ม, มันเป็นอย่างไรผลเป็นอย่างไรและฟันหนังเป็นอย่างไรให้เห็นตามสถาบเป็นจริงท่องมันพวกเหล่านี้ ถึงเราจะไม่สมมติว่ามันตกกระโปรกปฏิคูนกวต่าตความจริงมันเป็นอยู่อย่างนั้นไม่ใช่มันเป็นอย่างอื่นผมของเราตกหลนลงไปในอาหารนรในน้ำดื่มมีหลายเส้นน้ำดื่มนั้นก็เมตาที่จะดื่มลงไปเพราะถือว่าสกกระอาหารก็เมตาที่จะรับทานก็รเห็นว่าสกกระโปงมันจะผม เหมือนกันเล็บแชะออกไปใส่ในอาหารลองดูพอไปหยิบขึ้นเอนี่ลบขนเล่า้อจก้าัานก็เห็นลบอยู่นฟันก็เหมือนกันลนโลนลงไปในวยในจานอาหารก็ไปตาอยู่เหมือนกันแต่เล่ากระหลงพวกนี้แหละเห็นแบบผมมันสวยอย่างนั้นผนมันสวยอย่างนี้เลบมัน ดีนันงามอย่างนั้นฝันมันเป็นอย่างนี้ยิ่นหนังก้อยยิ่งไปกันใหญ่ลองทะลกออกทั้งตัวไม่มีหนังจะหลงกันไหมเชื่อไหมหลงกันมันหลงฟองหนอกๆ น, น, น, นี่แหลพระพุทธเจ้าตึ่งสอนให้อุปชาอาจารย์แี่นี้การบวชแต่ทิจเจริญนาในแยบชายคนเรามันเป็นของโกะโปะ ยิ่งก่าตัดอื่นทีเราหลงการเพราะหนังกุ่มกระดูอยู่อย่างที่เจน่าดูข่างในและหนังเองก็เป็นของสีโปรกโปรกต้องชำระระล้างอยู่ทุกวันอาบน้ำกนอยู่บ่บอดไม่อย่างนั้นก็เข้ากันไม่ได้เน้นต่าเน้นโคงมันเป็นอย่างนั้นมนุษย์เราเพราะภายในมันสกปรก ของที่เราขบฉันรับทานก็ปเป็นของสกปรกอาหารทุกอย่างเป็ น, อนอของเน่าของเสียก่าจะเอามาใส่ในปากในท้องของเราเราจะต้องดีเก็บไป้ข้างคืนสอคืนถ้าหากไม่เอาไว้ในตู้เย็นเอาทิ้งไว้าตามธรรมดาก็ะจะมีกลิ่นเหม็นปุ้งขึ้น ร, าาร่างายก็เป็นผิวหรือเฝ้าสกปรกมันถึงสกปรกถ้าหาก เอาทางในออกมาไว้้างนอกเอาข้างนอกยัดเข้าไปทางในมันจะเป็นอย่างไรมนุษย์เราจะรักษาแมลงวันได้ไหมเพียงส่วนระยะไม่กี่ชั่วโมงแมลงวันจะมาขี้ใสเพราะเห็บใดเพรมันเหน็นมันเน่ามันกระจกมีการที่เจริญนาการผานผานเสีงของมันตรงที่เจริญนาอย่างนั้นเพื่อใจจะมาให้ได้เกิดความตำหนักยินดี ถืว่าสวยสนงดงามอย่างนั้นอย่างนี้แล้วสิ่งเหล่านี้คงเส้นคงวาหรือเปล่าหรือมันแปลปวนเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก่อยให้พิจารณาลงไปตามเหลือพของมันในแยากทายในจิตใน ใ, นใจทั้งต่วเมื่อพิจารณาในอัดทำอย่างที่อธิบายมาจิตใจในมีวันเวลาสู่มลงไปสู่ข้างนอกก่อนนับวันจิตใจจะสงบสงบ ลงไปมีทางที่จะปลดถอนความติดข้องของใจได้ห า, หากในกพิจารณาอย่างนี้กุ้งจุงไปตามภายนอกหรือว่าสวยสดงดงามอย่างนั้นอย่างนี้หลงไปตามอาการที่เขาประดับประดาตงแก่งต่างๆมันคงไม่มีวันมีเวลาที่จะชำระความกาหนักินดีที่เหีือปัญหาออกจากใจได้ความติดข้องของใจ คามยินดีเข้าใจความรักให้ท้าใจเป็นทางสื่อความใจให้เสงอเป็นทางที่นนะําำใยอันตรายมาื่ตัวของตัวยิ่งใดที่เราชำระสาสางออกไปได้ยิ่ง น, นั้นจะไม่เป็นใยอันตรายจะมีความสุขความสบายคิดดูง่ายง่ายยิ่งของที่เราสละออกไปแล้วเขาจะเอาไปที่ไหนเราก็มีมการเสียใจเพราะเราเสียสละไปแล้ว ถ้าหากเราถีอว่าเป็นของของเราอยู่สิ่งนั้นแหละจะเกิดโศกเศร้าเสียใจยิ่งรักยิ่งชอบใจเท่าไรสิ่งนั้นก็จะเป็นไทยเป็นอันตรายจะทำจิตทาใจท่องสนให้เศราหมองเหบื่อร้อนมากขึอย่างหนุกของเราหนุ่มขรแม่ของเราหย่านิดของเราเตื่อนฝูงของเราคือสนิทสนมรักใครกันจริงจัง เขาล่มหายตายไปมีความเสีย อ, อกเสียใจร้องให้ถ้าหาเป็นสัตว์ของเราที่เราไห่ยินดีต่พอใจกับเขาเราเสียสลักแล้วไม่ถือว่าเป็นของเราเขาจะตายไปวันอด่างขงันกี่ศเรามมีการเสียใจมีการเสียสละเป็นอย่างนั้นการที่เรียนาถาดขันเห็นตามเป็นจริงก็เหมือนกันเมื่อเห็นว่ามันเป็นดีนอย่างนั้นเป็นของโขกๆอย่างนั้นในหน่ายินดี ไมน่าชอบใจไม่น่าจิตใจเห็นตามเต็มทร่ไม่ใช่กลุ่มดาวยงไปผากทะเลเต็มขึ้นเห็นขึ้นจับจิตจากใจเดี่ยวสติด้วยปัญญาโดยวิปัสสนาจริงจังมันละได้ถอนได้ปลายได้บางได้เย็นสบายไม่มีอะไรที่จะมีความสุขความสบายเข้าใจสิละถอนหยดจีตเดี่ยวตันหั สมุสทัยสมุทัยเจ้าจึงชมเคยแบบการ ป, รปฏิบัติศาสนาการมองเห็นเป็นจริงทางศาสนามีความสงบมีความสบายมากยิ่งกว่าสิ่งทั่วไปในโลกยาที่ตัดเป็นทางจิตไว้กว่านัตถิฉันติพลังสุขขังสุข อ, อื่นยิ่งกว่าความสงบไฟมีความสงบปกคืขขอความไม่ไปติด ข, ข้องไม่ได้ปป้วนพลัน ม่ฝู่จุงไปตามเรื่องต่างๆเห็นตามเป็นจริงในสิ่ง น, นั้นนะจิตสงบหาดจากความยึดมั่นถือมั่นเป็นความสุขอัศจรรย์ทีพวกเราท่านยังไม่ได้ไหนถึงไม่เห็นไม่เป็นจะยอมเชื่อได้ว่าถ้าเป็นอย่างนั้นมันเกต้องับบวกสบาย เขาไม่ยึดไม่องกับอะไรถ้าสงบได้อย่างนั้นมันจะมีความสุขมากยิดดูแต่ครอบครัวของเราเกิดทะเลาะเบาแหว่งกันเกิดคนนั้นไม่สบายคนนี้เป็นไข้ครอบครัวนั้นก็ไม่มีความสุขสุ ข, ขวามก็เหมือนกันถ้าเกิดไม่ไปพื่งปฏิบัติอาจทํา เกิดนอกมือนอกทางแล้วอวนนาหาความสุขจากกายจากจิตของสัวอย่าไปหาความสุขส่วนอื่นเพราะความสุขส่วนอื่นเป็นความสุขจอมปลอมจะเกความสุขที่แน่นอนอย่างยืนเวลานี้สุขนี้จะเปลี่ยนแปลงไปเป็นอื่นไปความสุขส่วนนั้นจึงไม่ควร ตัวมีปัญญาจะไปลหลงไหลสนใจใหหาความสุขอันยิ่งใหญ่ความสุขที่แน่นอนความสุขที่ตายตัวคือความสุขทางศาสนาตั้งหน้าตั้งตาภาวนาปฏิบัติปฏิบัติอัรรมเพื่อเข้าถึงจุดหมายปลายทางคือนัตติสันติพลังสุขพังจริงจังนั่นแหละแดนความสุขแดนความกเกษม เป็นความสุขที่นั่งตลาดหั่วไปสรรเสริญเยินยอเป็นความสุขที่แน่นอนเป็นความสุขที่น้าเงื่อมใสเป็นความสุขที่ตายใจส่วนความสุขอย่างอื่นมันแปรปวนแต่ความสุขที่แน่นอนความสุขจากการกินการดื่มความสุขจากการสัมผัสการดูการชมการ ระดับาฟังเป็นความสุขภายนอกยังนิดๆหน่อยๆตัวหายไปในเหมือนความสุขของใจสีละถอนสิเหน่งหมดขึ้น่นเป็นความสุขสี่พระพุทธเจ้าเวอรอเรียเจ้าทั่วไปท่าจันล่าเสริญแต่ก่อนที่ทนยังไม่เห็นไม่เป็นขันก็เป็นบุุคลคนหนาเหมือนพวกเราไมา่ผิดแปลกแตกต่างอะไรกันขาดพันอันเดียวกัน จะไหนท่านซื้อก่อยประพุปธปฏิบัติได้เข้าใจเขีนแจ้งเพราะเพราะท่านเชื่อท่านเลื่อมใส ท, ท่านยินดีท่านพอใจที่จะรายงานความจริงที่มีอยู่ในตัวของท่านที่พระพุทธเจ้าเนีสอนจางหน้าต่างตาตัวพุปธปฏิบัติภาวนาจริงจังจยอมละยอมถอนยอมลงยอมรวม ยอมเห็นความสว่างสวั ย, ย่อมเห็นการปล่อยวางข้งจิตข้งใจเรื่อยไปจนถึงที่สุดด่ามีพวกเราทุกคนทีดดานดลมาก็คือปฏิบัติมาจากที่ต่ า, า, า, างๆก็คือทากันพยายามแระทาตามโอวัทีพระพุทธเจ้าทรงแนะนำทำไม่อาศติ ว่าผู้หญิงผู้ชายหูงแกถ้าหากผู้ประพฤตปฏิบัติเป็นธรรมแล้วผู้นั้นแหละจะได้สวยรถของธรรมดูความสุขอย่างที่อธิบายมาอยางที่อบายธรรมะจะเห็นว่าขอส่งควรเเจยเวลาบอย่งแล้วอย่างเชนี้เ